ก็ความในคุธการนิกายอิติพุตกะในอัตถกถาปุตสูตรต่อนะครับในหน้า443ครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของสรารณคมนะครับวินิจฉัยในเรื่องปลสรสารณคมโดยประการต่างๆทีนี้มาขึ้นเรื่องศีลห้าบ้างนะครับศีลห้าก็รู้กันอยู่แล้วนะคือการฆ่าสัตว์ นะครับส่วนที่ทุศีนนะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกาลการมุสาวาและก็การดื่มสุราและเมรัยส่วนศีลก็คือเจตนาวิรัตนะครับเจตนาและวิรัต ค, คือเว้นจากปาณปฏิบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากการมีสุมิชาจารเว้นจากมุสาวาและก็เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนะครับ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็ขยายคําว่าปานาติบาตก่อนการยังสัตว์มีชีวิตซึ่งมีอันจะต้องตกไปเป็นสภาพโดยหน้าที่ของตนนั่นเองให้ตกไปชื่อว่าอติตาตะนะครับอธิบายว่าไม่ใช่ให้ค่อยๆตกไปแต่ให้ตกไปพลันคือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับปกติก็ดำเนินไปสู่ความตายอยู่แล้วนะแต่มันก็ค่อยๆไปนะ ปกติเนี่ยนะจะต้องเดินหน้าไปสู่ความตายแต่นี้ก็ไปรีบทําให้ตายเร็วกว่ากําหนดอ่ะนะนะครับถือหมว่าหน้าที่ของเขามันก็ค่อยๆตกไปนั่นแหละยังไงมันก็ตายอยู่ดีนั่นแหละแต่อาจจะอีกหลายปีหน่อยอะนะแต่ว่าผู้ที่ทําปานาติบาตก็ไปรีบทําให้ชีวิตของสัตว์เนี่ยตายเร็วขึ้นอ่ะนะเรียกว่าปานาติบาตนะครับหรือเรียกว่าอาติปาตะทําให้สัตว์ให้ตกล่วงอ่ะนะอธิบายว่าการฆ่าสัตว์มีชีวิต อันหนึ่งขันธสันดานที่เรียกว่าการว่าตร์เนี่ยหมายถึงปานะนะครับถ้าพูดโดยประมาศนะครับหมายถึงขันธสันดาดนนั้นได้แก่รูปชีวิตตินสีและอรูปชีวิตติณสีนะคําว่าปานะปานะเนี่ยนะปานโนเนี่ยหมายถึงขันนะครับในขันทัศน์แดนทีนี้ขันเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะทีนี้ ปานะนี้เน้นไปที่รูปชีวิตดินซีและอารูปชีวิตดินซีนะครับก็คือชีวิตตุูปและชีวิตตนามทีนี้เมื่อจะฆ่าฆ่าอะไรนะครับก็บอกว่าแท้จริงเมื่อรูปชีวิตดินซีที่บุคคลให้พินาศแล้วอารูปชีวิตดินซีนอกนี้ก็จะพินาศไปเพราะอารูปชีวิตดินซีเนื่องด้วยรูปชีวิตดินซีนั้นนะครับมันไม่ต้องไปฆ่านามอะไรหรอกฆ่ารูปนะทำลายรูปชีวิตซะนามก็ตายไปด้วยตกไปด้วยอย่างงี้นะครับ เหมือนกับยุงเนี่ยนะชีวิตตุลุบชีวิตตานามถ้าตบรูปร่างกายซึ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นทําลายชีวิตตุลุบซะชีวิตตานามก็เป็นอันแตกดับไปด้วยนะครับนี่ลักษณะของอติปาตานะครับการทําสัตว์ให้ตกล่วงนะเจตนาคิดจะฆ่าของผู้มีความสําคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิตที่ยังความพยายามอันเข้าไปตัดขาดชีวิตดินทรีให้ตั้งขึ้น เป็นไปแล้วทางกายทวารและวจีทวารทวารใดทวารหนึ่งอย่างที่ชื่อว่าปานาธิบัตินะครับคือก็รู้อยู่แล้วนะว่าสัตว์มีชีวิตนะครับพยายามเข้าไปตัดชีวิตตินรีความพยายามนั้นทางกายทวารก็ได้ทางวจีทวารก็ได้กายทวารก็เช่นลงมือเองเลยนะครับวจีทวารก็เช่นสั่งเป็นต้นนะครับทวารใดทวารหนึ่งแท้จริงมหาภูตรูปทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัย คือมหาภูตรูปที่เป็นเหตุให้ทําความพยายามที่เหมือนกับมหาภูตรูปก่อนๆจะยังไม่เกิดขึ้นในภูตรูปที่อาศัยแห่งชีวิตดินซีที่กําลังเป็นไปหมายความว่ารูปทั้งหลายนี้ก็สืบเนื่องกันไปนะครับโดยที่มีชีวิตดินซีเนี่ยอนุบาลรักษาภูตรูปทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ด้วยเจตนาอันใดเจตนาอันนั้นที่ยังประโยคเช่นนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าปานาติบาตเพราะว่าภูตรูปทั้งหลายนะครับพูดทั้งหลายเนี่ยนะที่มีความพยายามอันได้แล้วจะไม่ผ่องแผ้วเหมือนพูดก่อนๆเพราะฉะนั้นพูดเหล่านั้นจึงไม่เป็นเหตุแห่งพูดทั้งหลายที่มีชาติเสมอกันคือหมายความว่าปกติเนี่ยนะครับมหาพูดเนี่ยมันจะสืบเนื่องกันไป โดยที่มหาพูดก่อนมีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงนะครับสืบเนื่องให้มีมหาพูดหลังๆเนี่ยนะครับก็ดําเนินต่อไปได้นะครับแต่ว่ามหาพูดทั้งหลายเหล่านั้นที่ดําเนินไปได้ก็อาศัยชีวิตดินซีเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ไปทําลายชีวิตดินซีเมื่อทําลายชีวิตดินซีเนี่ยนะครับมหาพูดก็เลยไม่สืบเนื่องกันไปเลยนะครับเช่นถ้าตัดหัวไปแล้วเอาหัวมาวางที่เดิมมันก็ไม่สืบเนื่องเหมือนเดิมแล้วนะครับเนี่ยนะเพราะว่าทําลายไปแล้ว ค, คำว่าวาจีทวารังอัญญตรรฐทวารปรวัตตนี้แสดงถึงความไม่มีแห่งการยังชีวิตตินรีให้ตกล่วงไปด้วยวัฏกะเจตนาที่เป็นไปแล้วทางมโนทวารคือถ้าคิดในใจเฉยๆเนี่ยนะครับคิดค่าในใจเฉยๆเนี่ยยังไม่ชื่อว่าปานปฏิบาตนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นกายกรรมเนี่ยนะถ้าคิดเฉยๆเนี่ยนะครับ แม้ในกุลุมพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประสงค์เอาวิชามยาริตว่าสมณะหรือพรามคนใดในโลกนี้คนใดคนหนึ่งบางคนเนี่ยนะครับผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญทางใจย่อมเพ่งเล็งสัตว์ที่เกิดในคันที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจที่ใฝ่ต่ำและวิชามยาริษนั้นทิ้งวจีทวารเสียแล้วก็ไม่อาจให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นวิชามายาฤทธิ์นั้นก็สําเร็จด้วยอนานาจแห่งวจีทวารเท่านั้นวิชาเหล่านี้มันต้องบริกรรมนะครับใช้ปากในท่องไรา้าท้าเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ทําให้คันตกไปได้นะครับนี่ก็เป็นไปได้นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าการการที่จะยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเนนะครับมันจะต้องสําเร็จด้วยกายทวารและวจีทวารเท่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไปในว่า ในเจตนาวัฏกรเจตนาที่เป็นไปทางมโนทวารแต่ว่าถ้าหากเป็นไปทางมโนทวารเนี่ยมันก็เป็นพยาบาทได้นะครับร่วงอกุศลกรรมบุญได้ไแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องฆ่าไม่ใช่สําเร็จทางมโนทวารคือนี่เรากําลังพูดถึงกายกรรมรากายกรรมซึ่งองค์ธรรมได้แก่เจตนาฆ่านะครับนะส่วนพยาปาทะในมโนกรรมนั้นก็ควรละัยกันคือแค่มโนกรรมเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงฆ่าสําเร็จฆ่าไม่สําเร็จก็ตามนะครับ แต่เช่นนึกให้สัตว์นั้นพินาศไปก็ถือว่าครบองค์แล้วนะครับเป็นกรรมไปแล้วนะครับถึงเขาตายหรือไม่ตายก็ตามเช่นเช่ น, นะครับการแช่งทั้งหลายแล้วเนี่ยนะนั่นแหละครับเป็นลักษณะของมโนกรรมที่ที่เป็นเกิดขึ้นด้วยพยาปาทะนะครับแช่งชักหักกระดูกเนี่ยนะครับปานาติบาตนี้นั้นนะครับเชื่อว่ามีโทษน้อย ในเพราะสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นที่ปราศจากคุณคือสัตว์มีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยนะครับไปฆ่าเล็กฆ่ายุงฆ่ามดมันก็บาปน้อยหน่อยนะครับเชื่อว่ามีโทษมากในเพราะสัตว์มีชีวิตตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามีประโยชน์ใหญ่คือมีพิธีการฆ่าเนี่ยมากเช่นฆ่ายุงกับฆ่าควายยังไงนะครับยุงก็ต้องบาปน้อยกว่าฆ่าควายนะครับคือมีบาปน้อยกว่าโทษน้อยกว่า คือใช้คําว่าพยายามก็ไม่ถึงกับถูกนะคือว่าวิธีการเนี่ยนะพิธีการก็ได้นะครับหมายถึงวิธีการฆ่าเนี่ยนะครับถ้าเช่นฆ่ายุงตบยุงมันก็ฆ่าง่ายอะ่ะถ้าเทียบกับฆ่าคว า, าก็วิธีการมันเยอะนะครับใช้ใช้พิธีการใช้รูปแบบใช้เครื่องมือมากมายนะครับเพรามันกว่าจะฆ่าเสร็จก็โหใช้เวลามากอะไรมากมั้นก็ต้องบาปมากกว่าส่นนี้ถ้าเมื่อมีประโยคเท่ากันหมายความว่าด้วยวิธีการเท่ากันเนี่ยนะครับ ปาณาติบาตชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีวัตถุใหญ่เป็นต้นนะครับก็เอาเช่นโรงเชื่อดโรงเดียวกันเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่ากันเป็นต้นในการฆ่าเนี่ยนะถ้าฆ่าหมูกับฆ่าวัวเน่ฆ่าหมูก็บาปน้อยกว่าฆ่าวัวฆ่าวัวก็บาปมากกว่าฆ่าหมูอย่างนี้นะครับเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าตัวเท่ากันแต่ตัวใช้ตัวไหนใช้ความพยายามมากใช้วิธีมากเป็นต้นเนี่ยนะตัวนั้นก็บาปมากกว่า ทいいいีนี้ในบรรดามนุษย์เป็นต้นผู้มีคุณนะครับในเพราะเป็นผู้มีคุณน้อยปาณาติบาตก็มีโทษน้อยในเพราะมีคุณมากก็มีโทษมากนะยกตัวอย่างถ้าหากว่าค่ามนุษย์ด้วยกันนะครับค่าคนไม่มีศีลก็บาปน้อยกว่าค่าคนมีศีลห้านะครับค่าคนมีศีลห้าก็บาปน้อยกว่าค่าคนมีศีลแปดค่าคนมีศีลแปก็บาปน้อยกว่าค่าคนศีลสิหรือสัมมาเนนทั้งหลายค่าสัมมาเนนก็บาปน้อยกว่าค่าพระ ภิกษุที่มีศีลนะครับค่าพระภิกษุก็บาปน้อยกว่าค่าพระอริยะบุคคลนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับก็ไล่ไปโดยลำดับจนถึงค่าพาดหันก็เป็นอนันตริยกรรมนะครับทีนี้ในมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับเมื่อร่างกายและคุณเสมอกันปานาติบาชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะกิเลสและความพยายามอ่อนกำลังนะครับชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้า ยกตัวอย่างถ้าค่าพระพิสูจน์สรูปนะครับรูปไหนข้า ง, ง่ายค่ายากะนะคือมีศีลเท่ากันอะไรเท่ากันทุกอย่างเลยนะใน2รูปเนี่ยนะรูปที่ค่ายากก็บาปมากกว่ารูปที่ข้าง่ายก็บาปน้อยกว่านะครับอันหนึ่งในเรื่องของปาณาติบาตนี้การที่ปานาติบาตมีโทษมากเพราะมีประโยคและวัตถุใหญ่เป็นต้นเพิ่งทราบโดยความมีเจตนาที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหล่านี้มีกํำลังนะครับ โทมากโทษน้อยก็วิเคราะห์ที่เจตนาวิเคราะห์ที่สัตว์วิเคราะห์ที่วิธีการฆ่าเป็นต้นนั่นเองนะครับว่าบาปน้อยบาปมากนะครับความที่ประโยคเป็นประโยคใหญ่ที่ได้เพราะเจตนาอันเป็นตัวให้สําเร็จนะครับที่ยังกิดของตนให้สําเร็จลงด้วยสามารถยังประโยคตามที่ตนประสงค์ให้สําเร็จโดยเร็วและที่ได้เสวนะด้วยชาวนะทั้งหลายที่เป็นไปมากครั้งนะครับ บางทีการซ่องเสพการฆ่านั้นกว่าจะสําเร็จนะครับบางครั้งเมื่อประโยคเสมอกันทั้งในสัตว์ที่มีชีวิตตัวเล็กและตัวใหญ่แม้มีอยู่เจตนาของผู้ฆ่าสัตว์ตัวใหญ่มีกําลังกล้า ก, กว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ความที่วัตถุเป็นของใหญ่จึงเป็นเหตุแห่งความที่เจตนามีกําลังกว่านะครับนะคืออย่างเช่นชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับฆ่าหมูก็ฆ่ากายเนี่ยนะหมูเมื่อไหร่ไม่รู้จะคิดฆ่าทีนึงก็ฆ่าไกายนี่ก็บ่อยๆ แต่ไก่กับปลานี่เมื่อเทียบกับค่าปลานี่บ่อยกวา่าทีนี้ปลากระยุงนี่ก็น่าจะตบยุงนี่มากกวา่านั้นก็ตามจํานวนของอตัวเล็กตัวใหญ่เป็นต้นเนี่ยนะครับค่าง่ายค่ายากเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเวลาค่าชาวนะที่ค่าเป็นต้นแต่ก็ให้เอาภายในคนคนเดียวนะครับผู้ค่าในภายคนคนเดียวน ะ, ะอย่าไปเทียบ ว, ว่าเออคนนั้นค่าน้อยกว่าคนนี้คนนี้ค่ากว่าคนนั้นเอาตรงนั้นไม่เอาเป็นเกณฑ์นะครับเอาเป็นเกณฑ์ในคนคนเดียวกันเช่น สมมติถ้าผมเนี่ยค่ายุงผมก็บาปน้อยกว่าค่าปลาถ้าค่าปลาก็บาปน้อยกว่าค่าไก่ค่าไก่ก็บาปน้อยกว่าค่าหมูค่าหมูก็บาปน้อยกว่าค่าวัวควายค่าวัวควายก็บาปน้อยกว่าค่าช้างค่าช้างก็บาปน้อยกว่าค่ามนุษย์ค่าเด็กเป็นต้นเนี่ยนะครับทำแท้งเป็นต้นนี่ก็บาปมากกว่าค่าช้างแล้วทีนี้ถ้าหากว่าค่าคนไม่มีศีลก็บาปน้อยกว่าคนมีศีลเป็นต้นนะครับก็เป็นไปโดยลําดับนี้ผมคนเดียวนะ จะไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้ถ้าคนอื่นเขาอาจจะเจตนาน้อยกว่าหรือพยพความพยายามน้อยกว่าหรือเขาฆ่าคนไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะไปเทียบเอากับคนอื่นไม่ได้แต่นี้เอาเฉพาะคนเฉพาะคนในใ น, ในการฆ่าคนนั้นสมมุติว่าฆ่าช้างเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเตรียมค้อนเตรียมมีดเตรียมปืนเตรียมโห่กว่าจะลงมือลงไม้นะครับฆ่าช้างี่ตัวหนึ่งนะ กับการฆ่ามนุษย <N Sa> ์คนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆเลยกันนะเปรียงเดียวแค่นั้นนะฮะโดยความรวดเร็วไม่ต้องตาเตรียมอะไรมากเลยครับอันไหนบาปมากกว่าครับอย่างไรเสียมนุษย์ก็ต้องบาปมากกว่าเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ในสุขตินะครับเป็นสัตว์ในสุขติด้วยนะครับมีคุณมากกว่าอยู่แล้วคือคุณธรรมของความเป็นเดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันมากมันฆ่ามนุษย์จึงบาปมากกว่า ฆ่าค่ามนุษย์พิการตั้งแต่กำเนิดเป็นก็นัยยะเดียวกันก็บาปมากกว่าฆ่าช้างนะครับสมมติว่าฆ่าเด็กในคันนี่นะก็บาปมากกว่าฆ่าช้างนั่นนะครับทีนี้ถ้าเทียบว่าคนที่ฆ่าโดยส่วนมากเขาก็จะให้เหตุผลโดยประการต่างๆเจตนาฆ่าก็คือเจตนาฆ่าอากุศลก็คืออากุศลนะครับนะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะไม่ทําได้ก็เป็นการดีเออมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ มันมันจะว่าจะเป็นเจตนาฆ่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างเช่นลูกๆเนี่ยนะครับพาพ่อแม่เนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วพ่อแม่อาการคันโคม่าและตายแหละไม่ตายแหละหรือว่าถ้าหากว่าดึงสายออกซิเจนออกจากจมูกเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้ น, น, นเนี่ยนะรหรือว่าอยู่ได้ไม่นานสักสี่สาห้าวันก็จะต้องตายเนี่ยนะแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เห็นว่ายังไงยังไงเนี่ยพ่อหรือแม่เนี่ย ก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาแน่ๆเลยนะฮะก็อยากจะคิดคือคิดว่าพ่อพ่อแม่โยไปนานเนี่ยก็มีแต่จะลำบากบสงสารพ่อจะอทนทุกข์ทรมานไปนะฮะก็เลยรรปรึกษาหารลือกันว่าเอางี้ละกันสงสารท่านนะครับยังไงๆงท่านก็ต้องตายแน่ๆนีๆนะแล้วก็แต่แตัดสินใจให้ให้หมอเนี่ยเอาออกซิเจนออก แล้วภายในไม่กี่วันพ่อก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยคือแม่เนี่ยฮะครับอย่างนี้จะถือเป็นอนันตรยกรรมไหมอืมก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับยากนะครับผมก็วินิจฉัยยากแต่ก็เพราะว่าถ้าเจตนาที่เป็นอกุศลจ ร, จริงก็ต้องก็ต้องมีโทษอ่ะนะครับแต่ถ้าหากว่าก็ดูที่เจตนาของลูกหลานเป็นหลักนะครับว่าคิดยังไง คือคือถ้าปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วเนี่นะฮะครับพอไปพาไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็อยู่ได้เพราะเหตุว่าออกซิเจนที่เอามาสวมตรงนั้นนะครับนะฮ ะ, ะตัดสินใจให้เอาออกเนี่ยอันนี้วินิจฉัยยากจริงนะแต่ว่าผมก็ได้ยินมามากว่าส่วนใหญ่ท่านตัดสินใจเตัดสินว่ามันเป็นอนันดริยกรรมนะผมไม่กล้านะครับ<อ>ไม่ไม่กล้าวินิจฉัยนะมันเป็นข้อหาที่รุนแรงน ะ, ะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดนะครับก็ไม่ไม่ครัวเนยนะท่านทจริงนะท่านจะอยู่อีกยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทีจริงนะถึงจะทุกข์ทรมานก็เรื่องกรรมของท่านถ้าถ้าไม่นี้ก็อย่าไม่รักษาก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่รักษาท่านก็ไปตามโยถากรรมของท่านนะนะแต่ทีนี้ไปรักษาแล้วเกิดถ้าเราไปตัดอาหารท่านถ้าเจตนาไม่ดีนะครับมันเสี่ยงมากนะครั บ, รรบเสี่ยงนะครับมันมันหนะ้าสิบห้าสิบอ่ะนะเพราะถ้าเกิด คิดประทุสล า, ายหน่อยหนึ่งก็ก็เจตนานั้นก็อนันตรียกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นเป็นการคิดที่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะครับสําหรับลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ต่ออีกเดือนอีกปีหนึ่งก็ไม่ไม่เสียหายมากมั้งนะครับก็ให้ท่านอยู่ไปเถอะแต่ถ้าหากว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นต้นไม่ไหวก็รับมาอยู่ที่บ้านไปนะครับตั้งใจทั้งนุบํารุงเลี้ยงไปเถอะเหมือนกับว่าผ้าหันนะครับท่านจะอยู่เท่าไหร่ก็เป็นนาบุญของเราเท่านั้นแหละ ให้คิดไว้ในลักษณะนี้นะัน้นคิดในแง่อื่นก็ไม่ควรแต่ก็ในขณะเดียวกันนี่นะครับบางทีการฆ่าก็มาในรูปแบบของความสงสารก็มีนะครับเหมือนกับโยมคนหนึ่งเขาไปเล่า ว, ว่าไปล่าสัตว์กันนะครับอีกคนหนึ่งก็ยิงชนียิงหมีเอ่ยยิงลิงเนี่ยนะตกลงมามันก็โอยทุรนทุรายมันน่าสงสารจริงๆนะครับ ก็เลยชักปืนยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งยิงด้วยความสงสารเขาวางกันอันนี้ก็อันนี้ก็ปาณาติบาตทาลักษณะนี้ก็ชัดเจนนะครับอันหนึงเมื่อความที่สัตว์จะต้องฆ่ามีคุณมากความที่ปาณาติบาตนั้นก็มีโทษมากเพิ่งเห็นว่าแม้เจตนาที่ไม่เป็นอุปการะแก่การยังเขตพิเศษให้สําเร็จเป็นเจตนาที่มีกําลังและแรงกล้ากว่าจะเกิดขึ้น เหมือนเจตนาที่เป็นอุปการะที่เป็นไปแล้วในสัตว์ที่จะต้องฆ่านั้นเพราะฉะนั้นแม้เมื่อความที่ปัจจัยทั้งหลายมีประโยคและวัตถุเป็นต้นไม่ใหญ่ก็พึงทราบความที่ปานาติบาตมีโทษมากด้วยสามารถแห่งความที่เจตนาเป็นเจตนามีกําลังเพราะปัจจัยทั้งหลายมีความเป็นผู้มีคุณมากเป็นต้นนั่นเองนะครับก็เอาเอาคุณของผู้ที่ถูกฆ่านะครับเป็นเกณฑ์ ว่าบาปมากบาปน้อยนะครับแต่ทีนี้ถ้าฆ่าคนมีคุณเท่ากันก็ดูที่เจตนาของผู้ฆ่าเป็นหลักนะครับปนานฏิบั t นั้นมีองค์ประกอบห้าอย่างนะครับคือ 1. ปาโนสัตว์มีชีวิต 2. ปานสัญญาตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. วัฏกรจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. อุปกรรมโมความพยายามที่จะฆ่า 5. เตณมารณงสัตตายด้วยความพยายามนั้นนะครับ ปาณาติบาตที่ประกอบด้วยองค์5้าไม่พ้นไปจากองค์5พึงทราบว่าเป็นปาณาติบาตนะครับในองค์ประกอบ5้าอย่างนั้นการรู้ว่าสัตว์มีชีวิตและจิตคิดจะฆ่าจัดเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนความพยายามที่จะฆ่าเป็นองค์ประกอบของวัฏกรเจตนาให้ปรากฏชัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวบาปจริงๆก็คือตัวเจตนาที่ฆ่านั่นแหละครับตัวนั้นแหละที่ร้ายมากตัวที่เป็นเวรเป็นกรรมเป็นบุ ญ, เ ป, บญเป็นบาปนี่แหละครับ แต่ถ้าการฆ่านั้นไม่มีบุญโดยโดยทายเดียวนะครับ <c oughs> เพราะเจตนานั้นเป็นไปกับโทสะปานาติบาตนั้นมีประโยค6คือประโยคหรือวิธีการฆ่ามี6อย่างนะครับ 1. สาหัติกะประโยคนฆ่าด้วยมือตนเอง 2. อนอนติกะประโยคใช้ให้ผู้อื่นฆ่า3นิสกิยะประโยคการคว้างอาวุธไปหรือการปล่อยอาวุธไปนะครับเช่นการใช้พวกธนูพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะสี 4. ทาวรประโยคนะครับ เครื่องมือฆ่าสัตว์ที่ทําไว้ประจําเช่นกับดักทั้งหลายนะครับหรือลุมทั้งหลายที่วางกับดักไว้ฆ่าประจําแล้วก็หวิชามยะประโยคนะครับด้วยอํานาจคุณสัยคือใช้ไัยยศาสตร์นะครับแล้วก็6อิทธิมยะประโยคก็คือใช้ฤทธิ์นะครับเ ช, ช่นพวกเทวดาทั้งหลายเขาใชา้ฤทธิ์ฆ่ากันในประโยคทั้ง6นั้นประโยคของการฆ่าที่บังเกิดด้วยมือของตนชื่อว่าสาหัติกะประโยคนะครับ คือฆ่าด้วยตัวเองอะนะลงมือด้วยตัวเองเลยประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการสั่งบงังคับผู้อื่นชื่อว่าอนัติกะประโยคนะครับใช้ให้คนอื่นฆ่าแทนอย่างนึกถึงแม่หลายคนนะครับพอมาศึกษาธรรมะก็ไม่ฆ่าเองละปลานะครับก็เลยใช้ให้ลูกมันทําแทนมาถามว่าเออท่านอาจารย์อย่างนี้บาปมไหมก็ว่านานเข้าอนะไม่ฆ่าเองก็ใช้ให้คนอื่นฆ่าอีกนั่นแหละยมก็เลยน้อยเลยเห็นใจนะครับก็ น, นึกว่าจะเลี่ยงพ้นแล้วนะ แต่ก็คือมันมันเขาเป็นอยู่ภาคอีสานอะนะครับคล้ายๆกับว่าครอบครัวเขามันก็ต้องยังไงก็ต้องกินปลานะทีนี้ไอปลาที่จะกินเนี่ยมันไอปลาตายไม่มีนะมีแต่ปลาเป็นปลาเป็นก็ต้องไปจับมาจากน้ำมาจากอะไรนี่แหละทีมนี้นแม่ก็มาฟังทำเมื่อแม่มาฟังทำก็แม่ก็ไม่ฆ่าละตอนก็ใช้ให้ลูกทำแท น, แแทนครับก็เลย ก็ต่างคนก็ต่างบาปนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าบาปร้อยหนึ่งก็ละคนละ50นะเพราะมันเจตนาของใครก็ของใครนะครับทีนี้ตอนหลังก็มาฟังธรรมก็เดือดร้อนใจนะครับชีวิตการเป็นอยู่โดยชอบธรรมนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอยู่ยากจริงๆนะครับถ้าคนที่เกิดมาในฐานะที่ไม่ดีระดับหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับอาชีพไม่บริสุทธิ์ระดับหนึ่งจริงๆหรือว่าไม่มีบุญมากนี่ก็ยากนะครับ เมื่อเกิดมาในโลกแล้วจะไม่ไม่เปื้อนด้วยบาปนะครับเห็นไหอย่างของพวกเราทั้งหลายก็แปดเปื้อนมาด้วยบาปด้วยกรรมมาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นท okay. ุกเห็นโทษของสังสารวัฏนะเมื่อเกิดมาในโลกทั้งๆที่บางคนก็อายชั่วกลัวบาปแต่ก็มีเหตุผลหลายๆประการซึ่งไม่ทําก็ไม่ได้ไอความสามารถในการจะไปทําอย่างอื่นตัวก็ไม่มีนะครับอวิชาก็ปิดกลางการหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องทําปานาติบาตทําบาปให้แก่ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ มันก็น่าเห็นใจต่อไปประโยคที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งการยิงด้วยลูกศรและการพุ่งไปด้วยหอกเป็นต้นนะครับชื่อว่านิสกยะประโยคนะครับก็คือฆ่าด้วยปืนเป็นต้นนั่นเองประโยคที่เป็นไปด้วยสามารถแห่งการขุดหลุมพรางเป็นต้นชื่อว่าถาวรประโยคนะครับหรือว่าเช่นตั้งโรงงานฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าประโยคที่สําเร็จด้วยการไล่มน เหมือนการร่ายเวทของหมออาทันทั้งหลายเป็นต้นชื่อว่าวิชามยพยพนะครับประโยคที่สําเร็จด้วยฤทธิ์อันเกิดแต่กรรมวิบากพึงเห็นเหมือนประโยคของท่านผู้มีฤทธิ์ให้สัตว์มีพิษขบกัดเป็นต้นนะครับคือไปใช้ฤทธิ์เนี่ยนะครับบรรดาลให้สัตว์มีพิษมากัดได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นอิอทธิมยะะประโยคนะครับนี่ก็คือประโยคแห่งการฆ่า นี่หลังจากนั้นก็เป็นข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับค่าตอนไหนนะครับโดยเอาปรมัิมาที่บายตรงนั้นผมไม่ขยายนะครับนี่ก็เลยไปหาเรื่องอทินนาทานเลยนะครับอทินนาทานนั้นการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ชื่อว่าอทินนาทานนะครับถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้น ะ, ะท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าการนําของผู้อื่นไปได้แก่การลักได้แก่การได้แก่ความเป็นขโมยนะครับ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาทินนังได้แก่ของที่คนอื่นเขาหวงแหนนะครับของเขาดูแลรักษาอยู่นะครับเขาหวงแหนอยู่คนอื่นเมื่อถึงความเป็นผู้ทําตามชอบใจในของที่ผู้อื่นหวงแหนอันใดแม้ไม่ควรได้รับโทษทันและไม่ควรถูกตําหนินครับคือของของเขาอ่ะนะเขาจะใช้ยังไงก็มีใครไปว่าไปดุไปด่าอะไรเขาเขาใช้ได้อย่างถูกต้องอะนะครับ เทยะเจตนาคือเจตนาที่ตั้งใจลักของผู้ที่มีความสําคัญในสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหนนั้นว่าเป็นของที่ผู้อื่นหวงแหนยังความพยายามถือเอาสิ่งของนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่าอธินาทานก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าของเขามีเจ้าของเขาหวงแหนนะครับเสร็จแล้วก็ไปลักนะครับไปถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นะครับโดยเจตนาที่เป็นขโมยนั่นเองทีนี้บาปนะครับ ว่ามีโทษมากโทษน้อยก็อธินาทานนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะของผู้อื่นเลวคือของที่มีราคาน้อยนะชื่อว่ามีโทษมากในเพราะของผู้อื่นประณีตคือมีราคามากก็แล้วแต่ของนะรักของของดีก็แพ่บาปมากหน่อยถ้ารักของไม่ค่อยดีก็บาปน้อยหน่อยพ่อใหญ่เพราะวัตถุประณีตนะครับที่ชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะของผู้อื่นน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะของผู้อื่นมากก็เช่นเดียวกัน เพออราะเพราะว่าวัตถุใหญ่นะครับของเล็กของใหญ่หรือว่าของเท่ากันแต่ว่าลักจํานวนจํานวนของที่ลักด้วยนะครับและก็เพราะประโยคใหญ่แต่เมื่อวัตถุเสมอกันอธินาทานชื่อว่ามีโทษมากในเพราะวัตถุของผู้มีคุณธรรมสูงชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะวัตถุของผู้มีคุณธรรมต่ํากว่าผู้มีคุณธรรมสูงนั้นๆโดยหมายเอาคุณธรรมที่สูงนั้นนั้นเป็นเกณฑ์เช่นถ้าลักของอ่นนะนะสมมติลักบาทรอ่นนะนะ รักบาทของเน aut, นก็บาปน้อยกว่าของพระถ้ารักบาปของพระก็บาปน้อยกว่าภิกษุเนี่ยนะ ก, ก็บาปน้อยกว่าของพระอริยะเจ้านะครับหมายว่าถ้าเป็นเนนด้วยเป็นอริยะเจ้าด้วยก็บาปมากกว่าของพระภิกษุอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่ารักของใครแล้วก็คุณธรรมของผู้นั้นด้วยนะครับของผู้มีศีลมีธรรมก็บาปมากนะครับ เชื่อว่าโทษน้อยเพราะความที่กิเลสและประโยคเป็นต้นอ่อนชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและประโยคเป็นต้นแรงกล้านะครับบางอย่างเนี่ยโหต้องใช้ความพยายามสูงมากกว่าจะรักได้บางอย่างก็ใช้ความพยายามต่ําเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้ความพยายามมากนั้นก็บาปมากพยายามน้อยก็บาปน้อยนะครับแต่ทีนี้ก็พยายามน้อยแต่ว่ารักของคนมีคุณนะครับก็ต้องบาปมากกว่าพยายามมากรักของคนไม่มีคุณนะครับก็ไปตามนั่นไป อธินาทานนั้นมีองค์ประกอบ5อย่างนะครับคือองค์ประกอบของการขโมยเนี่ยนะคือ 1. ประปริคหิตังของที่เจ้าของห่วงแหน 2. ประปริคหะหิตะสัญญารู้อยู่ว่าเป็นของที่เจ้าของห่วงแหนนะครับของเขาปกปักรักษาอยู่นะก็รู้ก็ 3. ก็เถยะจิตตังจิตคิดจะลัก 4. อุปตโมทำความพยายามที่จะลัก 5. เตนะหรนังลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น ค, คำว่าลักมาได้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าให้เคลื่อนจากฐานเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นพระภิกษุนั้นแค่เคลื่อนจากฐานปลายเส้นผมเนี่ยนะครับเช่นยกของมีค่า5้ามาศกเนี่ยนะครับตามพระวินัยบัญญัตินั้นถ้ายกขึ้นจากฐานแม้แต่ปลายเส้นผมก็เป็นปรารชิกแล้วนะครับไม่ต้องว่าเอาไปได้หรือเอาไปไม่ได้นะครับแล้วสําหรับของกราวาฎญาโยมนะครับก็ในย่าเดียวกันนะครับ เพียงแค่เคลื่อนจากฐานนิดเดียวแค่ไหนก็เป็นเต็นแล้วนะครับ hmm. ครับก็ถือว่าศีลก็ขาดแล้วนะครับเนี่ยนะประโยคของการลักมีหกนะครับก็เหมือนกับปนานติบาสนะครับรักด้วยตัวเองเป็นต้นหรือว่าใช้ให้คนอื่นรักเป็นต้นนะครับส่วนอวหารนะครับอาการรักเนี่ยนะคื อ, คอถอ่ายอวหารรักด้วยความเป็นขโมยปยยอวหารนะครับใช้ด้วยวิธีการข่มคู่ ปริกระพาวาหารลักตามที่กําหนดไว้ปฏิดชั้นนาวาหารลักษด้วยกิริยาปกปิดแล้วก็กุสาวาหารลักด้วยการสับเปลี่ยนสลักนะครับทั้งหมดนั้นก็สามารถดูได้ในอัุติยะปาราชิกนะครับที่นั้นขยายไว้อย่างพิสดาร น, นะครับเกี่ยวกับเรื่องลักเรื่องอะไรทั้งหลายแหลนะครับแค่ไหนศีนขาดแค่ไหนยังไม่ขาดนะครับ